ท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพระหันที่ 2, 5, สองเอ่อาคมพุทธศักราชสองพันห้าห้าหเป็นวันอาสาถาบูชาเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่ง ของพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนขึ้นมาเป็นครั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคีและหลังจากที่ได้ทรงแสดงธรรมก็ปรากฏมีพระ อ, อัญญาณโกฏัญญะหนึ่งในพระปัญจวัคคี ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอริยบุคคลจึงต่อกฏมีพระรัตนกรัยครบพร้อมทั้งสามองค์คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธนี้ปรากฏขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกคือวันวิสาขบูชาวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่า พระอมุตระสัมมาสัมปวิทยานแล้วหลังจากนั้นอีกสองเดือนก็สงประกาศพระธรรมคำสอนและเมื่อมีผู้ฟังได้ปฏิบัติตามได้พิจารณาตามก็มีดวงตาเห็นธรรมปรากฏขึ้นมาเกิดปัญญาเห็นอริยสัจสี จากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงไว้จึงทำให้จิตใจนั้นดับความทุกขที่เกิดจากความอยากเช่คคือความอยากไม่ให้เสื่อมมีแต่อยากให้เจริญแต่ความจริงมันปีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อมถ้าผู้ใดยอมรับความเสื่อม เท่าเท่ากับการยอมรับความเจริญผู้นั้นก็จะไม่ทุกกับความเสือ่อมแต่ถ้าไม่ยอมรับความเสือ่อมเช่นความตายก็จะต้องมีความทุกไปพระอาญยาโกนัญญ า, ญญาหลังจากที่ได้ฟังก็เข้าใจความจริงว่าความทุกใจนี้ไม่ได้เกิดจากใครเลยเกิดจากความอยาก ไม่ตายนี้เองเกิดจากความอยากไม่เสือ่อมแต่เมื่อพิจารณาตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เสือ่อมถ้ามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดามีเกิดย่อมมีตายเป็นธรรมดาผู้ใดเห็นความจริงอันนี้ก็จะไม่ปฏิเสธความเสือ่อม ไม่ปฏิเสธความตายเมื่อพร้อมที่จะรับความเสือ่อมพร้อมที่จะรับความตายใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์นี้อยู่ในใจความตายอยู่ที่ร่างกายความเสื่อมอยู่ที่ร่างกายกายกับใจเป็นคนละส่วนกันใจไม่ได้เสือ่อมไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่เพราะความหลงที่ไม่เห็นความเสือ่อมไม่เห็นความตายไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวเราของเราใจเกิดความหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นใจพอร่างกายเป็นอะไรไปใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่อยากให้เป็นไปนั่นเอง แต่ถ้าพิจรารณาด้วยปัญญาก็จะสามารถแกยกใจออกจากร่างกายได้เห็นว่าร่างกายเป็นการรวมตัวของธาตุสีดินน้ำลมไฟเริ่มต้นอยู่ในครนภของแม่แล้วหลังจากที่ได้รับธาตุสีคืออาหารทางสายเลือด ก, ก็ค่อยจะเริ่มเติบโตจน ต้องคลอดออกมาหลังจากที่คลอดออกมาก็ต้องเติมธาตุทั้งสี่เช่นเติมน้ำเติมลมเติมดินคืออาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโตขึ้นมาร่างกายนี้จึงเป็นเรื่องของธาตุสีดินน้ำลมไฟเท่านั้นเพียงแต่มีใจมาอาศัยอยู่เหมือนกับ คนขับกับรถยนต์คนขับก็อาศัยรถยนต์พาไปตามสถานที่ต่างๆใจก็อาศัยร่างกายพาไปทําอะไรต่างๆใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันเหมือนกับรถยนต์กับคนขับเป็นคนละส่วนกันไม่เกี่ยวกันถ้ารถเป็นอะไรคนขับไม่ได้เป็นแต่ด้วยร่างกายเป็นอะไร ใจก็ไม่ได้เป็นอะไรไปด้วยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้เห็นแล้วนำอามาสอนพระปัญจวัคคีพอท่านได้ยินได้ฟังท่านก็สามารถที่จะหยุดความอยากได้เพอะท่านมีเครื่องมือคือสมาธิมีสมะมีสติมีเสีย ศีลนี้เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้เกิดสมาธิและเมื่อมีสมาธิก็จะทําให้เห็นความจริงถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงก็จะเห็นอย่างนั้นจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงการรวมตัวของธาตุสีดินน้ำลงไฟไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกาย ไม่มีตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องตัวสามีภรรยาอยู่ในร่างกายตัวสามีภรรยาพ่อแม่อนี้อยู่ในใจใจเพียงแต่มาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือตอบสนองความต้องการของติเลตันหาคือความอยากในการอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ก็จะต้องมีตาหูจมูกรินกายอยากมีอยากเป็นก็ต้องมีร่างกายถึงจะเป็นได้เช่นอยากจะเป็นสะสะอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นอายกอยากจะเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือแต่พอมีร่างกายเป็นเครื่องมือก็อยากจะให้ร่างกายอยู่ไปนาน พอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายเพราะอยากจะเป็นเศษรษฐีเปนานเป็นนายกไปนานเป็ น, นรัฐมนตรีไปนานแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอยากที่ความอยากต้องการก็เลยต้องทุกขทรมานใจโดยใช่เหตุ ทุกไปก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงไปได้ความจริงเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ฝืนความจริงยองรับความจริงก็ไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องทรมานใจใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ใจหลงไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บของร่างกายนี่คือปัญหาของปุถุชน ผู้ที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่สามารถหยุดความไม่อยากหรือหยุดความอยากต่างๆไม่ได้ก็แสดงว่าใจไม่มีเบรกใจไม่มีกําลังหยุดเหมือนกับรถยนต์ที่ไม่มีเบรกถ้าต้องการจะหยุดก็ไม่สามารถหยุดได้ไปถึงเสียกไฟแดง ก็ต้องฝ่าไฟแดงแล้วก็ไปชนกับรถคันอื่นหรือถ้ามาถึงโค้งทางโค้งก็จะแห่โค้งตกหวไปเพราะไม่มีเบรกจันใดใจของปุ้ทุชนใจของผู้ที่ยังไม่ได้มีเบรกก็มักจะเป็นอย่างนั้นเวลาเกิดความอยากแล้วก็หยุดไม่ได้พอหยุดไม่ได้ก็จะเกิด ความทุกข์เกิดความวุ่นวายเกิดเรื่องราวต่างๆตามมาแต่ถ้าได้ฝึกสมาธิได้ทําใจให้สงบให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาได้ก็จะสามารถหยุดใจได้เวลามาถึงสี่แยกไฟแดงเวลาเข้าทางโค้ก็จะชะลอหรือหยุดลดได้ใจก็เหมือนกันเวลาเกิดความอยาก แล้วรู้ว่าความอยากนี้ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาก็หยุดความอยากพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ทรมานใจก็หายไปนย่าที่พระอญญาโภตัญญะได้เปล่งวาจาไว้หลังจากที่ได้ฟังพระอริยสัจ ส, สี่พระอญญาโภตัญญะ ก, ก็เปล่งวาจาออกมาว่า ธรรมใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการตายเป็นธรรมดาใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจจึงไม่โวรไปทุกกับร่างกายให้เปล่าประโยชน์ใจของปุถุชนเป็นอย่างนี้จะทุกกับทุกเรื่องเพราะความอยากนั่นเอง ทุกข์กับความอยากอยากในสิ่งที่ไม่ได้ก็ทุกข์ไม่อยากในสิ่งที่ได้ก็ทุกข์อยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ทุกข์เช่นอยากจะดื่มสุรายามา ก, ก็ทุกข์ใจจะกะวนก歪กระกสับกระสายถ้าไม่ได้ดื่มก็ยิ่งจะทุกข์มากขึ้นไปใหญ่ถ้าได้ดื่มความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวความอยากดื่มสุราก็ย้อนกลับมาม ถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับการดื่มสุราก็ต้องไม่ทําตามความอยากเวลาอยากดื่มสุราก็อย่าดื่มถ้าทรมานใจก็เข้าไปในสมาธิทําใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วความทรมานใจก็จะไม่เกิดถ้ามีสมาธิแล้วเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ทําตามความอยากก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจ สมาธิจึงเป็นธรรมที่สำคัญต่อการหยุดความอยากต่อการทำลายความอยากต่างๆมีปัญญาเช่นรู้ว่าดื่มสุราไม่ดีแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็จะหยุดดื่มไม่ได้เพราะไม่มีเบรกนั่นเองดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมถ้าอยากจะ หลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะดับตัณหาทั้งหลายต้องปฏิบัติตามขั้นต่อคือไม่สามารถข้ามไปที่ขั้นปัญญาได้ถ้ายังไม่มีสมาธิาะจะไม่เกิดประโยชน์เหมือนญาติยมตอนนี้ก็ได้ยินได้ฟังพระอริยาาสัจสีเหมือนกับที่พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ฟังกันแต่ เราฟังแล้วเราไม่สามารถทำใจให้ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสมาธิส่วนพระบรรจาวัคคีเช่นพระอนญญาณกนทัญญาท่านมีสมาธิอยู่แล้วพอท่านได้ฟังปัญญาฟังธรรมที่ที่จะปลูกปัญญาให้เกิดขึ้นมาพอรู้แล้วว่า ความทุกข์เกิดจากความอยากไม่ตายอยากไม่เสือ่อมก็หยุดความอยากพอหยุดความอยากนั่นได้ใจก็หายทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความอยากชนิดใดก็ตามถ้าเราทุกกับความอยากเหล่านั้นถ้าเราอยากจะหายทุกข์เราเพียงเปลี่ยนใจเท่านั้นเองวา่าไม่อยากก็ได้ไม่เอาก็ได้พอไม่ได้เท่านั้นใจเราก็จะหาย ท, าทุกข์ทันที นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสอนพระปัญจวัคคีในวันอาสสราฮาบูชาทรงสอนว่าความทุกข์เกิดจากความอยากและการที่จะดับความทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาใช้มรรคปัญญานี่เป็นองค์ของมรรคเป็นองค์ที่สูงสุด เป็นยอดถ้าเป็นห อ, อ ก, ก็เป็นปลายห อ, อกแต่ตัวห อ, อเองก็ต้องมีด้านมีคนคอยพุ่งห อ, อกมักก็เป็นเหมือนกับห อ, อกต้องมีครบประกอบองค์ประกอบครบประการครบก็คือแปดองค์ด้วยกันปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปความเห็นชอบความคิดชอบ ศีลก็คือศีลก็คือสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาคือการกระทําชอบการพูดชอบแณสัมมาอาชิวะอาชีพชอบสัมมาอาชีพส่วนสมาธิก็มีสัมมาวายามมสัมมาสตินี่คือาสัมมาสมาธิ มีเป็นองค์ของมรรคแปเมื่อแบ่งเป็นสามส่วนก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาอย่างที่เมื่อกี้เราได้สมาทานศีลกันถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะมีวาจาชอบมีการกระทาชอบการมีศีลนี้ก็จะทำให้จิตใจสงบ สบายไม่วิตกกังวลกับการทําบาปต่างๆเมื่อใจสงบก็จะสนับสนุนการทําสมาธิให้สงบได้ง่ายขึ้นเมื่อเรามีศีลเราก็จะนั่งสมาธิได้ง่ายกว่าตอนที่เราไม่มีศีลเพราะถ้าเราไม่มีศีลนี่ใจเราจะาวิตกกังวลวุ่นวายไปกับบาปกรรมที่ได้ทําไว้ อย่าไม่สามารถไปอยู่ในที่เปลี่ยวเปลี่ยที่วิเวกที่สงบที่อยู่คนเดียวได้เพราะกลัวกับผลบาป ท, ที่จะตามมาคนทำบาปนี้เวลาไปอยู่ที่ไหนเปลี่ยวเปลี่ยวคนเดียวนี้จะหวาดกลัวมากเพราะกลัวภัยต่างๆที่ตนเองได้สร้างไว้นั่นเองแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปแล้ว ไปอยู่ในป่าคนเดียวก็จะไม่กลัวอะไรเช่นพระทุดงทั้งหลายพระป่าทั้งหลายท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เวลาท่านไปอยู่ในป่าตามลำพังใจของท่านจึงไม่กระเพื่องไม่หวาดกลัวไม่วิตกกังวลจึงทาให้การทำใจให้สงบนี้ง่ายกว่า เวลาที่ไม่มีศีลหรือผู้ที่ไม่มีศีลศีลจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะถ้าใจไม่สงบใจไม่นิ่งจะคิดทางปัญญาไม่ได้หรือเวลาฟังเทศก็จะฟังไม่รู้เรื่อง พราะใจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาฟังแล้วก็ฟังไม่ติดต่อกันก็จะไม่เข้าใจถึงธรรมที่ได้แสดงเอาไว้เช่นพระปัญจวัคคีย์นี้มี5้ารูปด้วยกันแต่มีรูปเดียวเกิดความเข้าใจก็เพราะว่าใจของท่านฟังอย่างต่อเนื่องไม่แวกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่วนอีกสีรูปนี้ยังไม่ได้ ฟังอย่างต่อเนื่องยังแวบไปวับมาอยู่<ม>ก็เลยไม่เข้าใจจึงปรากฏมีเพียงพระอัญญาณโกนัญนะบรรลุธรรมขึ้นมามเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างแห่งธรรมมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาดับความทุกได้สมาธิจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญปัญญาเช่นในขณะนี้ญาติโยนั่งฟังเทศฟังธรรมกัน ถ้าใจนิ่งสงบตั้งใจฟังจะได้ปัญญาได้ความรู้เพราะจะเกิดความเข้าเข้าใจแต่ถ้าใจไม่นิ่งยังวิตกกังวลหรือยังห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้อยู่ก็จะแวบไปแวบมาฟังแล้วก็จะไม่เกิดความเข้าใจก็จะไม่สามารถตัดกิเลสตัดกิเลสได้ดับตัณหาความอยากได้ แต่ถ้าฟังด้วยใจที่สงบนิ่งก็จะเกิดปัญญาพอมีปัญญาก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนามีอยู่สามขั้นด้วยกันในทางปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัปญญา มีศีลศีลก็จะสนับสนุนสมาธิสมาธิก็จะสนับสนุนปัญญาปัญญาก็จะสนับสนุนให้เกิดการหลุดพ้นขึ้นมาเป็นการเรียนเป็นขั้นเป็นตอนเราไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนไปได้แต่เราพวกเราแต่ละคนนี้อาจจะได้เรียนมาหลายขั้นแล้วก็ได้ ก็อาจจะไปก้าวไปได้เร็วกว่าผู้ที่ยังไม่ได้เรียนมาเช่นชาติก่อนอาจจะรักษาศีลได้แล้วถ้าชาตินี้ก็เลยนั่งสมาธิได้งายแต่ถ้าชาติก่อนยังรักษาศีลไม่ได้ชาตินี้ก็ต้องพยายามรักษาศีลให้บริสุทธให้ได้ก่อนเมื่อรักษาได้แล้วเวลานั่งสมาธิก็จะสงบงา ถ้าชาติก่อนนั่งสมาธิได้แล้ววิจิตสงบแล้วชาตินี้เวลาศึกษาธร ร, รมะฟังธรร ม, รรมก็จะเกิดความเข้าใจและสามารถตัดความอยากได้อย่างรวดเร็วเพราะอาดีตชด ต, ชดตชาติของพวกเราแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันได้บำเพ็ญบุญบรารมีมาไม่เท่ากันการปฏิบัติ ซึงมีความก้าวหน้าไม่เท่ากันเราไม่ต้องไปกังวลว่าคนอื่นเขาจะอยู่ข้างหน้าเราหรืออยู่ข้างหลังเราขอให้เราดูที่ตัวเราว่าเรากำลังทำหน้าที่ของเราอยู่หรือเปล่าเราทำอะไรได้เราก็ทาหน้าที่ของเราไปถ้าเราทำทานได้เราก็ทำไปรักษาศีลได้เราก็รักษาไป นั่งสมาธิได้ก็นั่งสมาธิไปจเจริญปัญญาได้เกิดพิจารณาตายรักได้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดต้องมีดับเป็นธรรมดาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นของชั่วคราวเป็นเหมือนของที่ยืมมาเดี๋ยวไม่นานก็ต้องคืนเจ้าของไป เมื่อเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ได้อยากให้อยู่กับเราไปตลอดก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่เห็นว่าไม่เที่ยงไม่เห็นว่าเป็นตัวเราของเราก็จะหลงเกิดความอยากอยากให้อยู่เป็นนานๆอยากให้เป็นของเราเป็ น, นานๆน <c oughs> ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เขาจะจากเราไป นี่คือปัญญาที่เราต้องพยายามเจริญให้ได้แต่ก่อนที่จะถึงขั้นปัญญาก็ต้องเจริญสมาธิให้ได้ก่อนและก่อนที่จะได้สมาธิก็ต้องเจริญศีลก่อนก่อนที่จะเจริญศีลได้ก็ต้องทำบุญให้ทานให้ได้ก่อนต้องเป็นคนใจบุญสุนทานไม่หวงไม่โลภ กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีไว้เพียงพอต่อความจำเป็นเท่านั้นถ้ามีมากไปกว่านั้นก็จะไม่เก็บเอาไว้จะเอาไปทำบุญให้ทางถ้าทำบุญให้ทานแล้วใจก็จะเกิดความเมตตาเกิดความเอื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่จะไม่อยากจะทำบาปจะไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่น ผู้ที่ให้ทานอย่างสม่ำเสมอก็จะรักษาสี่งได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ให้ทานไม่ทาบุญผู้ที่ไม่ทำบุญให้ทานเพราะหวงสมบัติหวงเงินทองและโลกอยากได้เงินทองเพิ่มมากขึ้นไปเวลาโลกอยากได้เงินทองก็มักจะต้องทำบาปอย่างน้อยก็ต้องพูดบดเวลาทำมาหากิน หรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องโกงคือแย่งทรัพย์ของผู้อื่นทั้งๆ ท, ที่ตนเองมีเงินเป็นหลายร้อยล้านพันล้านแต่ถ้ายังมีความโลภอยู่ก็ยังจะโกงอยู่แต่คนที่ไม่มีแต่คนที่ชอบทำบุญให้ทานไม่คิดอยากจะร่ำ อ, อยากจะรวยก็จะไม่โกมีน้อยก็อยู่กับ สิ่งที่มีน้อยก็อยู่กับน้อยไปมีมากก็ไม่เก็บเอาไว้เอาเก็บเอาไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพราะว่าเงินทองนี้ไม่สำคัญเท่ากับบุญกุศลไม่สำคัญเท่ากับการหยุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดถ้าไม่สร้างบุญสร้างกุศลไม่ปฏิบัติธรรมต่อให้เป็นมหาเศรษฐีก็ไม่เปิดประโยชน์อะไร ตายไปก็ยังจะต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดต่อและอาจจะกลับไปเกิดในภพที่ไม่ดีก็ได้เพราะไม่ทำบุญไม่รักษาศีลแต่ถ้า <c oughs> ทำบุญรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้ก็อาจจะไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุก์กับการพักราชจากกัน ไม่ต้องมาทุกข์กับการอยู่ร่วมกันเพราะเวลาอยู่ร่วมกันมักจะมีความเห็นไม่ตรงกันตามฝ่ายตามอยากจะทำตามความอยากของตนก็มักจะเกิดการทะเลาะวิวาท ก, กันแล้วก็โกรธเกลียดกันทั้งๆ ท, ที่มีเจตนาลมที่ดีต่อกันคือปรารถนาให้เขามีความสุขมีความเจริญ แต่ไม่ดูถึงความสามารถของผู้ที่จะรับความสุขความเจริญที่เราจะมอบให้กับเขาเพราะเขาไม่มีภาชนะคือเขาอาจจะไม่ได้ทำบุญทำความดีมามากพอพอสอนให้เขาทำบุญทำความดีเขาก็ไม่มีความสามารถที่จะทำตามได้ไปบังคับเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ทำแต่ให้เขาเกิดความโกรธเกลียดเรามากขึ้นไปโดยใช่เหตุถ้าเรามีหน้าที่สอนก็ให้สอนแต่อย่าไปกดดันอย่าไปบีบบังคับผู้ที่รับคำสอนเขาจะเอาไปปฏิบัติได้มากน้อยก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาโดับแอย่างนี้จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข จะไม่กไม่เกลียดกันแต่ถ้าไปบังคับใจกันแล้วก็จะอยู่ด้วยกันยากและจะไม่มีความรักกันไม่มีความเมตตาต่อกันนี่คือความอยากที่นักจะเกิดขึ้นเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเราอยากจะให้คนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็อยากจะให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่อยากทำตามที่เขาอยาก เขาก็ไม่อยากจะทำตามที่เราอยากก็เราอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้หรืออยู่ด้วยกันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องอยู่แบบปล่อยวางเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่สอนมีหน้าที่บอกก็บอกไปสอนไปอย่างนี้ก็จะพออยู่กันได้ ถ้าอยู่กันไม่ได้จริงๆก็จำเป็นจะต้องแยกกันไปจะดีกว่าอย่าอยู่ด้วยกันแล้วทำให้โกรธเกลียดกันเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรแยกกันไปอยู่คนละทิศคนละทางดีกว่าจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรต่อกันนี่คือเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องของการหลุดพ้นจากการเวรว่าตายเกิดหลุดพ้นที่ใจด้วยการ หยุดความอยากทั้งสารประการคือความอยากในรูปเสียงกิจโนธความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเราสามารถหยุดความอยากทั้งสามประการนี้ได้ใจของเราจะไม่มีความทุกข์เลยเช่ในใจของพระพุทธเจ้าละใจของพระปัจจวคีที่หลังจากได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า สองสามครั้งก็สามารถบรรลุเป็นพระอราหารันตับความอยากดับความอยากหมนไปจากใจได้ดับความทุกข์หมดไปจากใจไ ด, ด, ด, ไจจได้ดับการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือความสำคัญของวันอาสสาหบูชาเป็นวันที่ปรากฏแสงสว่างแห่งธรรมให้แก่โลกคือการประกาศพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ เ, เหมือนกับการปรากฏขึ้นมาของดวงอาทิตย์ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โลกก็จะไม่มีแสงสว่างจะมีแต่ความมืดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคําสอนใจของสัตว์โลกก็จะมืดบอดด้วยโมหะอาวิชชา <c oughs> ก็จะตกอยู่ภายใต้อาํานาจของตันหาความอยากที่จะสร้างความทุกข์ให้กับสัตว์โลก อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ใจของพวกเรานี้ทุกกันเพราะพาะว่าเราขาดแสงสว่างแห่งธรรมเราไม่เข้าหาธรรมะเราไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนเราไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมเราไม่นาเอาคำสอนมาปฏิบัติกันถ้าเรานำเอาคำสอนมาปฏิบัติกันไม่ช้าก็เร็วใจของเราก็จะสว่างร่งขึ้นมา จะเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากของเหล่านี้เท่านั้นแล้วเราก็จะสามารถหลุดความอยากทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นพระปัญจวัคคีย์ที่หลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว <ST S 1> <ST> S> <S ก็สามารถดับความอยากต่างๆภายในใจไปได้หมดนี่คือเรื่องของวันอาสาหบบุชาที่พวกเราทั้งหลาย ได้มาบำเพ็ญกันการบำเพ็ญการบูชาที่แท้จริงก็คือการปฏิบัติ บ, บูชานี้เองจึงขอให้ท่านจงน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติที่กายวาจาใจของท่านแล้วความสุขและความเจริญทั้งหลายก็จะตามมาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็จะตามมา และเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างสูงสุดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัต น, นาใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นต้นใ จ, จให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันนาสุขภาระโดยทั่วหน้าการเธอ